ก็ข่าวกรวพระอาจารย์ไพศาลพันเตเพื่อนสาสธรรมิกเจริญพรมายังแม่ชีและยก็ญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2557 นะเมื่อนับจากวันเข้าพรรษานะก็เป็นวันที่สนะจากการศึกษาพุทธประวัติเราก็ทราบว่าวันนี้ เ, น <c oughs> เป็นวันที่ปัญจวัคคีย์คนที่หนะบรรลุโสดาบันนะแล้วก็พรุ่งนี้พระพุทธเจ้าแสดงอนันตะลัคณาสูตรนะก็ได้บรรลุภารันทั้งหมดเลย อันนี้ก็ตามประวัติ <c oughs> ทีนี้ในส่วนของพวกเรานะก็คือเราได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะก็ได้น้อมนำม า, าพิจารณานะในส่วนของพวกเรากันเองในสมัยนั้นเราเห็นว่าเมื่อผู้มีความปรารถนานะที่จะพ้นทุกข์เนี่ยนะก็ได้ฟังธรรม จากพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปปฏิบัตินจนเกิดผลก็คือสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ไม่ได้เรียนรู้อะไรมากซึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เป็นข้อสังเกตว่าในการที่เร า, เามาศึกษาปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งก็คือการเราได้ยินได้ฟัง นะเป็นปัญญานะในระดับของการจดจำนะจะเป็นการได้ยินได้ฟังก็ดีนะเป็นการอ่านหนังสือก็ดนะีตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะทำให้เราเห็นทิศทางนะเห็นแผนทีนะ่ที่เราจะเดินทีนี้ถ้าเราไปมัวแต่ดูแผนที่อยู่นะก็คือ มัวแต่ดูหนังสือนะหรือว่า <c oughs> จดจำคำพูดของครูบาอาจารย์แล้วก็ชื่นชมยินดีเพียงแค่นั้ น, นแต่เราไม่ได้เอาไปประพฤติปฏิบัตินะมันก็จะไม่เกิดผลนในที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราได้ยินได้ฟังนในสิ่งที่ครูบาอาจารย์เพื่อนกัลยาณมิตร ได้พูดไปแล้วเราก็ควรที่จะน้อมนำนเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาจริงๆทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ <c oughs> อาจจะบางค น, นหรือหลายค น, นก็ไม่ได้น้อมนำไปปฏิบัติทั้งนี้เพราะว่าอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากลาบากเป็นเรื่องที่ <c oughs> ทำได้ยากนะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ไม่โปรงใจลงไปไม่กระทำลงไปนะก็ได้เพียงแต่ได้ยินได้ฟังแล้วก็จดจํานำไปพูดคุยกันนาไปเสนอต่อกันนะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ เ, เต็มที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปเนี่ยนะเมื่อเราได้ไปพิจารณาใคล้ครวญ นะด้วยเหตุด้วยผลนะด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธานะก็ควรจะได้น้อมนําลงไปประพฤติปฏิบัตนะิแล้วก็ทดลองลงไปจริงๆการเรียนรู้ธรรมะเนี่ย <c oughs> เราเรียนรู้เพียงแค่หนังสือหรือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยคงจะไม่เพียงพอนะจําเป็นที่จะต้องลงมือปฏิบัติลงไปนะโดยเฉพาะที่ วัดป่าสุขโตนะเราจ ะ, ะมีข้อมูลนะมีสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังทุกเช้านะทุกเย็นคนะรูบาอาจารย์ก็ดีนะเพื่อนกัลยาณมิตรทั้งหลายก็ดีนะมาพูดคุยแนะนำให้ข้อคิดต่างๆนะหรืออาจจะเป็นประสบการณนะ์ในการประพฤติปฏิบัตนะิซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็น อุปกรณ์หรือเป็นข้อมูลสำคัญนะที่เราจะนำไปปฏิบัติได้นะแล้วก็โดยเฉพาะรูปแบบวิธีการนะที่เราได้เห็นหรือเราได้ยินนะก็เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่เหลือวิสัยนะไม่เกินกว่าที่เราจะทำได้แต่เท่าที่สังเกตตัวกระผมนิยตมาเองนะที่เรายังไม่ปรงใจที่จะทำลงไป ก็เพราะว่ามันมีสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นอุปสรรคขวางกั้นหรือถ้าเป็นภาษาในาศาสนาหรือในอพุทธาศาสนาก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นมารหรือเป็นสิ่งที่จะมาขวางกั้นคำว่ามารเนี่ยถ้าพูดกันโดยทั่วไปเรามักจะหมายถึงพญามารที่ เข้ามาพยายามขัดขวางนะไม่จะไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถ์เนี่ยเสด็จออกบวชนะแล้วก็ตอนก่อนที่จะตัสรู้นะก็มาขัดขวางต่างๆน า, นานานะรวมทั้งก่อนที่ท่านจะเสด็จปณิธานสามเดือนนะพญามารก็เข้ามานะขัดขวางนะไม่ให้ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีตรงนั้นเป็นเรื่องที่อาจจะไกลตัวไปสักนิดหนึ่ง นะแต่พยามารที่อยู่ในใจเราเนี่ยน่าสนใจนะโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางกัน้นะในจิตใจของเรานะทำให้เราได้ยินได้ฟังนะสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูดนะสิ่งที่เรามีความเชื่อมีความศรัทธาแต่เราก็ยังไม่ลงมือทำนะเพราะว่ามีมานตัวเนี้นะ ที่มันฝังอยู่ในจิตในใจของเรานะซึ่งในหลักพุทธศาสนาเนี่ยก็มีอยู่ประมาณห้าาประการด้วยกันนะมารันแรกเราเรียกว่ากิเลสมารนะกิเลสมารหรือมารคือกิเลสนะหรือกิเลสเป็นมารนั่นเองนะถ้าจะพูดเป็นกิเลสเนี่ยบางทีมันมองภาพไม่เห็นเอาง่ายๆว่าความรู้สึกเราชอบ นะความสะดวกสบายเราไม่ชอบความลําบากนะการฝึกปฏิบัติเนี่ยบางทีนะมันก็ทําซ้ําๆำซากๆน่าเบื่อนาย <c oughs> นะหรือบางทีเราตั้งใจจะทําทแล้วนะนะแต่พอทําไปสักพักหนึ่งนะมันก็เบื่อขึ้นมามันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวขึ้นมานะตรงนี้มันก็เลยบางทีทําให้เราเอาไม่ได้ทําต่อ นะทำนิดนิดหน่อยนะตอนที่มีกำลังใจฟังครูบาอาจารย์ไปจบไปนะเราก็ไปตั้งใจทำเอาจริงเอาจังนะแต่พอไปเจอความยากลำบากนะเจอสิ่งต่างๆนะทำให้เราก็ไม่ไม่กล้าที่จะทำต่อไปหรือไม่บากบัน่นะไม่มีความเพียรที่จะทำต่อไปนะโดยเฉพาะยงยิ่งที่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยเราให้อิสระ <c oughs> แก่ทุกคน ในการที่จะมีชีวิตอยู่ในการที่จะฝึกปฏิบัตนะิใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ไดนะ้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอิสระนะเป็นอิสระเสรีที่เราจะทำซึ่งตรงนี้แหละนะถ้าผู้ไม่ระมัดระวังนะไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมของมารนะที่มีอยู่ในใจของเราแล้วนะก็คือการรักความสบายนะความที่กลัวความยากลาบาก นะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราไม่ไม่ปรงใจไม่ตั้งใจไม่ทุ่มเทกำลังใจลงไปในการประพฤติปฏิบัตนะิในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็มีความเชื่อนะมานตัวที่สองก็คือขันธมานขันธมานเนี่ยก็คื อ, อ, อมานที่เกี่ยวข้องนะกับร่างกายของเรานะ ความเจ็บความปวดความเมื่อยนะความไม่สบายกายนะโดยเพราะยิ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยนะอันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญนะเท <c oughs> ่าที่ได้มีโอกาสสัมผัสนะกับผู้ที่มาปฏิบัติในกลุ่มประจำเดือนเนี่ยนะที่พบเห็นมากเนะี่ยไม่ว่าเป็นคนเท่าคนแก่นะคนหนุ่มคนสาวนะมาวันแรกเนี่ยนะ เรียกว่าจะป่วยกันก็มีนะบางคนเป็นลมเลยก็มีนะโดยเฉพาะคนแก่คนเฒ่าเดินไม่ไหวก็มีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอุปสรรคขวางกั้นเหมือนกันที่จะทําให้ อ, อความตั้งใจของเราในครั้งแรกนะที่เราจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ดําเนินต่อไปมันไม่ได้ทําอย่างต่อเนื่องนะอันนี้เป็นอุปสรรคสําคัญอีกอันหนึ่งทีนี้ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยนะที่วัดของเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีคนเท่าคนแก่หลายคนอายุเจ็ดสิบแปดสิบนะแต่ว่าก็ยังเดินลุยกันอยู่นะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็เรียกว่าไม่ยอมแพ้ขันธมารเหมือนกันนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีแล้วก็นะรมุธนานะแล้วก็เป็นตัวอย่างนะให้กับผู้มาปฏิบัตินะบางคนคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเดินนิดนิดหน่อยหนอยก็ เวียนหัวมืนหัวปว ด, ดเมื่อยนะแต่พอเห็นผู้เท่าผู้แก่ของวัดผ่าสุกโตนะเดินกันเข้มแข็ง ม, มันก็มีกำลังใจขึ้นมาเม่งั้นเขามาเล่าให้ฟังนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นบรรยากาศเนาะที่เราจะช่วยกันนะที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนะก็คือขันธมานไปได้นะทีนี้นอกจาก คันธมารแล้วกิเลสมารแล้วนะตัวที่3านมะเป็นมารที่เกี่ยวข้องกับความคิดนะเรียกว่าอภิสังขารมารอภิก็คือใหญ่สังขารก็คือการปรุงแต่งนั่นเองนะซึ่งเราคงมุ่งหมายไปตรงที่ความคิดปรุงแต่งการคิดหาเหตุหาผลนะโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคนเจ้าปัญญาคนที่ จะไม่ยอมปรงใจเชื่อไม่ยอมทําอะไรจนกว่าจะเชื่อว่ามันทําได้หรือว่ามันสมเหตุสมผลนะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีมันก็ขัดขวางนะไม่เราลงมือทําสักทีหนึง่งก็ได้แต่ได้ยินได้ฟังได้แต่อ่านหนังสือคน้นคว้าหาข้อมูลหาข้อมูลอยู่นั่นแหละนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราไม่ลงมือทําหรือขณะลงมือทําไปแล้วนะก็มี ความสงสัยลังเลอะไรต่างๆนาะนาะนะหรือมีความคิดฟุ้งซ่านขึ้นมานะตรงนี้บางทีก็ทาให้เราเผลอนะเผลอลงไปในความคิดต่างๆนะไม่ได้กลับมารู้สึกตัวนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องอมีความแยบายสักนิดหนึ่งนะในการที่เราจะรู้เท่าทันนะความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นนะก็คืออภิสังขารมานนะ มานที่4นะเาเรียกว่าเทวปุตตมานเทวปุตรก็คือเทวบุตรนะซึ่งอันนี้ก็คือมาเป็นพยามานที่มาในคราบของผู้ดีนะก็คือความ <c oughs> ยินดีนะพอใจในความสบายนะก็คือไม่ต้องทำอะไรมากนะมาอยู่วัดป่าสุขกโต บรรยากาศดีอากาศดีอาหารดีอาหารดีในที่นี้หมายถึงมีอาหารทุกมื้อนะตอนเช้านะแล้วก็มีอาหารที่หลากหลายนะเราก็รู้สึกเออเพลดิดเพลินยินดีนะก็รู้สึกสบายไอ้ความสบายนี่แหละนะมันทําให้เราอ่อนแอนะทำให้จิตใจของเราเนี่ยเออไม่ไม่มุ่งมั่นนะที่จะทำเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ เกิดความอ่อนแอได้มัอนอย่างที่เขาบอกว่าชันเช้าแล้วเอนชันเพนแล้วนอนบ่ายพักผก่อนกลางคืนจำวัดอันนี้เป็นคำที่เราเคยได้ยิ น, นก็คือรักความสบายซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามนในการที่จะพึติ ป, ปฏิบัติ นะในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเรามีความเชื่อและแล้วก็เรามีความมุ่งหวังนะที่จะมาเรียนรู้ในะเรื่องของกายเรื่องของใจนะเพื่อที่จะปลดเปลื้องนะความทุกขนะ์ความยึดติดต่างๆนะที่มันเคยมีมาอตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ตามนะนี้เป็นมารอีกตัวหนึ่งซึ่งแยบคายมากตัวนี้นะตัวสุดท้ายตัวที่ห้า ตัวที่5คือความกลัวตายนะเขาเรียกว่ามัจจุมาณนะความกลัวตายเนี่ยนะ ม, ยนะมันไม่ไม่ใช่เป็นเวลานี้นะแต่เป็นความกลัวทุกอย่างอย่างมาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะบางคนที่มาครั้งแรกเนี่ยนะแล้วไปอยู่กุฏิที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนะี่ยตอนกลางคืนมันมืดเนะี่ยมันมืดจริงๆนะเดือนมืดเนะี่ยตอนนันตมามาครั้งแรกที่วัดป่าสุกโตเมื่อประมาณปี25งพยยีเนี่ย ช่วงนั้นนี่ยังไม่มีคนมากขนาดนี้แล้วประยู ก, กุตินะซึ่งไกลแล้วก็ไม่มีไฟฟ้ากลางคืนเนี่ยมันเดือนมืดมันมืดจริงๆอะ่ะมันกลัวผีอะ่ะมันกลัวผีไอ้ความกลัวผีนี่แหละนะเรียกว่าเป็นปัจจุบานนะแล้วก็มันก็อยู่ในสภาพแบบนั้นเนี่ยมันก็คิดจินตนาการไปต่างๆนานานะว่าเอผีมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ ท, ทั้งที่เราก็บวชเป็นพระนะตอนนั้นจำได้ว่าบวชพระครั้งแรกแล้วก็ไปอยู่วัดโมกนะช่วงออกพรรษาขออนุ ญ, ญาตหลวงพ่อเทียนนะมาหาหลวงพ่อคำเขียนที่วัดป่าสุกโตนะมาอยู่อาทิตย์หนึ่งจำได้วันแรกนี่โอ้โหกลัวผีอันนี้คิดว่าประสบาการณ์นี้พระใหม่ๆคงจะมีนะแล้วก็ญาติโยมที่มาใหม่ๆก็คงจะเจอนะตรงนี้เนี่ย แต่เมื่อใดก็ตามนะที่เรารู้เท่าทันไอ้ความกลัวตัวนี้นะก็คือการที่เรามีสตินะรู้เท่าทันมันล้วก็จะพบว่าความกลัวเนี่ยกลัวผีเนี่ยมันคือผีที่เราคิดว่ามันเป็นนะทีนี้บางคนอาจจะกลัวอะไรกลัวงูกลัวแมงป่องกลัวจะขาบบางคนกลัวทุกแกไปอยู่ในกระติมีทุกแก มันร้องเสียงดังนะบางคนก็นอนไม่หลับนะตรงนั้นมันก็เป็นความกลัวนะความกลัวตรงนี้มันเป็นสัญชาตญาณเนานะที่จะเอาตัวรอดนะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งถ้าเราไม่รู้เท่าทัานเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยอาจจะท้อถอยแล้วก็พานไม่ปฏิบัตินะไม่ไม่เรียนรู้ไม่ฝึกปฏิบัตินะก็อยู่ไปวันวันหนึง่ง นะแล้วเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะผ่านพ้นความกลัวไปได้นะมารทั้งห้าเนี่ยมันมีอยู่ในจิตใจเราในแต่ละคนถ้าให้สังเกตดีทีนี้เขาบอกว่ามารไม่มีบารมีก็ไม่เกิดเพราะนั้นจริงๆมารเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคจริงๆนะถ้าเรารู้เท่าทันนะรู้เท่าทันแล้วเราก็ ตั้งนะสัจจะบารมีก็ดีวิริยะบารมีก็ดีนั่นะรือว่าขันติบารมีก็ดีนะก็คือมีความอมดทนมีความเพียรพยายามนะมีความตั้งใจจริงนะในการที่จะประพฤติปฏิบัติเนี่ยพยามารก็ทำอะไรเราไม่ไดนะ้เหมือนอย่างที่เจ้าใจจะจะเสด็จออกบวชนะแม้ว่าพยามารจะมาขัดขวาง นะท่านก็ตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็ผ่านมานไปได้นะหรือตอนที่จะส่งตัสรูนะ้ตอนนั้นพญ า, า ม, มารก็ยกพลทัพขึ้นมามากมายนะท่านก็ไม่ยอมนะท่านก็พยายามที่ตั้งใจมีความตั้งใจมีความเพียรพยายามนะที่จะต่อสู้กับพญ า, า ม, มารนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นแบบอย่าง นะให้พวกเราเนี่ยได้ามาพยายามที่จะเอาชนะพยา ม, มาลที่มีอยู่นะเวลาเรา <c oughs> ประพฤติปฏิบัติในการเจริญสติเนี่ยนะเราจะเจอกับความทุกขนะ์โดยเฉพาะทุกข์กายเนี่ยชัดเจนที่สุดนะเวลาเรานั่งสร้างจังหวะนานๆมันปวดมันเมื่อยนะตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงผ่อนคลาย เปลี่ยนอิยบทได้นะเราไม่ต้องไปทนให้มันเจ็บปวดนะโดยเฉพาะยิ่งคนใหม่ๆเนี่ยบางทีมันจะเข็ดซะก่อนนะเราก็บนเท า, เาผ่อนคลายบรรเทาไปนะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะทำได้หรือเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะยิ่งเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวอากาศชื้นนะเราก็จะรู้สึกมันมันมัน ไม่ค่อยสบายตัวมันมึนหัวมันน้ำมูกไหลอะไรพวกนี้นะตรงนี้เนี่ยนะมันก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะเรียนรู้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญเลยนะที่เราน่าจะเรียนรู้ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคเลยเพราะนั้นถ้าเรามีสติมีปัญญานะที่จะรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้เนี่ยอุปสรรคจะกลายเป็นอุปกรณ์ นะที่จะให้เราเรียนรู้นะได้รู้ว่าเมื่อกายเจ็บป่วยแล้วใจของเราเป็นยังไงนะถ้าเราอ่อนแอเราไม่รู้เท่าทันกายป่วยใจมันก็จะป่วยไปด้วยกายเจ็บใจมันก็จะเจ็บไปด้วยแต่ถ้าเรามีสติเราจเจริญสติให้ดีเราจะรู้เลยจะเห็นชัดเจนเลยว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยก็ได้นะกายเจ็บแต่ใจไม่เจ็บก็ได้ นะเส้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดปัญญาจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคนั่นเองหรือเป็นความทุกข์นั่นเองเพราะนั้นการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเรื่องชีวิตเนี่ยนะเราอย่าแค่ไปท่องจําหรือไปอ่านหนังสือเท่านั้นนะต้องอ่านไปที่กายที่ใจลงลงไปเลยหนะลวงพ่อคําเขียนใจกรรมว่าต้องจุ่มลงไปเลย นะเอาใจของเราจุมลงไปเลยในความทุกขนะ์ที่จะเรียนรู้ทุกข์มันนะแล้วก็ผ่านความทุกข์นั้นไดนะ้เมื่อผ่านความทุกข์ได้เนี่ยตรงเนี้เราก็จะเห็นเลยว่าโอ้มันมีทางออกนะเคยได้อ่านหนังสือของท่านจันไปนสารท่านบอกว่าทุกข์เนี่ยเป็นทางผ่านนะเป็นทางผ่านที่ผ่านไปเป็นประตูที่จะเปิดไปที่ไปสู่ความพ้นทุกข์ เพราะนั้นในการประพฤติปฏิบัติในการเจริญสติก็ดีในการปฏิบัติธรรมก็ดีเนี่ยเราอย่าไปปฏิเสธมันนะความทุกข์หรืออุปสรรคต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่จะมาทดสอบนะกําลังใจของเราทําให้เราเข้มแข็งทําให้เราแข็งแรงมากขึ้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายนะที่จะให้เราเดินทางต่อไปนะที่จะให้เราเข้าไปรู้ความจริง ของกายของใจนะแล้วก็สิ่งต่างๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยเครื่องมือนะที่เรียกว่าความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะนั่นเองนะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะใช้ได้สติสัมปชัญญะจึงเป็นกุญแจนะที่จะเปิดประตูใจนะที่จะให้เราผ่านทุกไปนะในเอ่อทุกๆอารมณ์เพราะนั้นการฝึกจเจริญสติเนี่ยนะเมื่อเราเห็น มานทั้งห้าแล้วซึ่งมันไม่ได้มาตามลำดับทางนี้หรอกนะแล้วแต่นะเพียงแต่ว่าให้เข้าใจว่าถ้ามันมีอุปสรรคต่างๆเราอย่าท้อถอยนะลุยกับมันเลยนะหลวงพ่อคมเขียนไว้คว่าลุยลุยลุยสักหน่อยนะการปฏิบัติกรรมฐานนี่ต้องลุยลุยสักหน่อยนะอย่าไปอ้อแออ่อนแอกับมันนะตรงนี้มันจะทาให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นมา แล้วก็พยามารก็จะไม่มีทิพลนะในการที่จะมาทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะดําเนิ น, นสิ่งที่เราได้ตั้งใจไปได้นะก็คือการที่เราตั้งใจมาอยู่ที่วัดป่าสุโกโตนะจะในรูปแบบไหนก็ตามนะไม่ว่าจะมาบวชเรียนก็ดีไม่ว่าจะมาปรับปฏิบัติก็ดีนะจะเป็นญาติโยมก็ดีนะสิ่งเหล่านี้เนี่ย นะเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามทำให้ความตั้งใจของเรานั้นได้บรรลุเป้าหมายนะที่เรามุ่งหวังไว้แต่อย่างไรก็ตามนะอย่าไปหวังผลอะไรมากนะทำมันไปเรื่อยๆการฝึกเจริญสติทำไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวเนี่ยให้มันเป็นความรู้สึกสดๆเรื่อยๆบ่อยๆผลมันจะเกิดอย่างไรก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่เราสร้างนะเราไม่ได้ไป สร้างผลขึ้นมาแต่เมื่อสร้างเหตุให้ถูกต้องเหมาะสมต่อเนื่องนะอย่างมีความพอเหมาะพอดนะีตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญานะที่จะผ่านพ้นนะอุปสรรคต่างๆนะก็คือความทุกข์ในใจนะไปได้เนะส่งตรงนีนะ้ถ้าเรามีความเชื่อมั่นนะก็ขอให้เราได้ตั้งใจ ทุ่มเทความพยายามทั้งหมดลงไปกับเรื่องนี้กิจที่สำคัญก็คือเรื่องนี้เรามาวัดปาสุกโตส่วนกิจอื่นๆก็เป็นในลำดับรองลงไปซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่จะทำให้การเจริญชีวิตการภาวนาในช่วงเข้าบรรษาเนี่ยเป็นช่วงเวลาขงการภาวนาภาวนาก็คือพัฒนานั่นเอง นะที่ทำให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าไปในทางธรรมต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะในท้ายที่สุดนี้นะก็ขอ อ, อ้างอิงเอาบทกลอนนะของท่านอาจารย์พุทธทาสนะท่านเขียนเอาไว้นะเรื่องมีมารไม่มีมารนะมาปิดท้ายในการสนทนาธรรมในวันนี้นะครับ <c oughs> ท่านเขียนไว้ดีมากนะเขียนไว้ว่า มานไม่มีบารมียิ่งไม่แก่จะมีแต่ถอยถดหมดความหมายไม่มีพลังสร้างวิบากให้มากมายหรือสอบไล่ให้เราเข้าใจตัวมานยิ่งมีบารมียิ่งแก่กล้ายิ่งรุดหน้าสามารถในธรรมทั่วสร้างวิบากให้มากมายไม่เหนียวนัว ให้ดอกบัวเบ่งบานสถานสะเทือนแล้วประหัดประหารมารร้ายให้ตายเตียนให้แนบเนียนไม่มีอะไรเหลือเมื่อมารมีก็เหมือนมารมาตักเตือนให้พบเงื่อน ง, งามกล้าฆ่ามารเอง นะก็ขอเจริญพรมายัางสาธุชนทุกท่านในวันนี้นะในท้ายที่สุดนี้ขออ้างอิงเอาคุณของพระศรีรัตนตรัยนะและก็ความภาคเพียนพยายามของทุกท่านความตั้งใจของทุกท่านนะได้เป็นบารมีนะหนุนนําส่งให้ทุกท่านได้มีความตั้งใจนะในการที่จะพฤติปฏิบัตนะิในการที่จะเจริญสติในการที่จะดําเนินชีวิต ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เรามุ่งหวังวก็คือความพ้นทุกข์ในปัจจุบันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร